ทอนวัดจบก็ลบทับสู่กันฝักก็พูดเลือกงานการของเรานี่แหละเวลานี้พวกเราก็มีจุดประสงค์จำนงอันเดียวกันคือมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือเจริญสติ สมัยฉัญจะตามรูปแบบของจิตปัฏฐานเอากายมาเป็นอุปกรณ์การสร้างสติสติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบเอาคายมาประกอบบาผิดความรู้สึกความเลื่อนได้ถ้ามันมีถหามันมากขึ้น เราสร้างสติมันก็ไม่ฟรีมันกับทำเมัอนอื่นไม่เสียงต่าทำนาทำไรยังเสียงมีแรง้งมีท่วมอะไรหลายอย่างแต่การเจริญสตินี้ไม่มีเสียงทันทีเลยทีเดียว เราพลิกมือขึ้นเราก็รู้ทันทีเมื่อวางไว้เข้าเราก็รู้ทันทียกไปเราก็รู้ทันทีเมื่อมันไม่รู้ ก, ก็แจ้ได้ทันทีเอามาเป็นตัวรู้ทันทีมันจะหลงลอยคลั่งบันโหนเขาไม่ต้องกลัวเพราะมันเปลี่ยนได้จริงเป็นเรื่องนี่นะพอใจและภูมิใจการจเจริญสติเนี่ย เ, เรื่องที่ทําได้เป็นขอบเป็นกำขึ้นมาเป็นมรกเป็นผลขึ้นมามักน้อยๆผลน้อยๆมักคือดูอยู่ที่ทําอยู่นี่นผลมันก็ลู่อยู่นี่แหละมันลู่อยู่นีถ้าลู่ลงมันก็จบลงเข้าถึงตัวลู่จิกตัวตัวลู่จิกตัวอย่าพึงไปตะเลิดไปหาเหตุหาผลหาครับตกก เอาเหตุเอาผลนั่นอื่นเหตุผลมันอยู่ที่การกระทำของเราเราลู้อยู่ด้วยเป็นเหตุเป็นผลอยู่แน่เมื่อมีเหตุก็มีผลทันดทีไม่ต้องรอไปแต่วินาทีเดียวเราทำมายลงรอเป็นครึ่งปียังได้ผลปูกวันปูกวอยเหมือกนกัน แต่ว่าการจเจริญสติไม่เหตุเดี๋ยวนี้ผลเดี๋ยวนี้ทันโงกทันใจเราจึงประกอบสร้างขึ้นมาอะไรที่มันหลงเราลู่บทลู่ไหลหลายทีด้วยมันหลงไปตามความพิดเราก็ลู่ทันโอ้ตัวคิดก็ทำให้หลง หลงไปทางกายเราก็รู้ทันทีเราก็ประสบการณ์กับกายกับจิตที่มันเป็นช่องทางแห่งความหลงมันมีอะไรเท่าไหร่ตาหูจมูกเิ่นกายใจเราก็รู้ดูเฉยๆก็รู้ได้ไม่ต้องหาวัสดุอุปกรณ์อะไรมาช่วยเลย มันหลงมันก็ไม่ไม่รับรีอะไรเก็บหนูเมันรู้งงมันมันก็ยุงมื่ก็้โยงเจ้าทุกสนมันมาหาจินเลือดเรามันงงงมันก็บินให้เราเห็นมันก็จับให้เราเห็นเวลามันดูดเลือดมันก็เจ็บ ไม่รับไม่รีเลยแล้วก็ป้องกันได้อันตัวหลงตัวทุ ก, ต, ก ต, ตัวโกรธตัวโทโโบโหตัวคิดพุ่งสัน่นมันก็โง่เหมือนกันตัวระพฤตัวก็รู้เอารู้เอารู้เอารู้เอาเมื่อมันโง่อย่างเนี้ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเลยล่องงามเหมือนจัด ป่าบางประเภทมันโง่มันก็ตายไปหมดที่มันเป็นเหยื่อเป็นอาหารของสัตว์อื่นแมนมันไม่โง่มันก็ยังยังสู้สติปัญญาของคนไม่ได้ตัวรู้จึกตัวเลิกได้ตัวนี้นะ มันเป็นขั้นปัญญาโลบรู้ใดของสังขารมันเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าแห่งความรู้มันอยู่กับตัวเราเด่ยแต่เราไม่ค่อยประกอบมันก็เลยไม่ค่อยมีเราจะวาประกอบขึ้นมาทาใหม่ใหม่ อาจจะหลงมากทแตละบ ด, ดี <c oughs> ความหลงเนี่ยมันก็ดีนะมันจะมีประสบการณ์มีบทเรียนความทุกข์มันก็ดีความโกรธมันก็ดีความโลภความวิตกความองอนเศรษฐมอมก็ดีเราจะได้ดูมันมันมีรสชาติอย่างไงต่างกันกับความรู้จึกตัวไหมเนี่ยเราก็ ได้บทเรียนเความรู้สึกตัวเป็นจริงกว่าความหลงมันไม่จริงอะไรความทุกข์มันไม่จริงความโกรธมันไม่จริงแม้แต่กายก็ดีเวทธารก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเป็นด่านที่ทําให้เกิดความหลงแต่ก่อนมันเกิดความหลงบัดนี้มาเกิดความรู้ิต กายเอามาเป็นว่าจ ด, ดูอุปกรณ์ผิดความรู้เวทนาเอามาผิดความรู้จิตที่มันคิดเอามาผิดความรู้ทำที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลเป็นอกุศลเอามาผิดความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของไม่สิทธิไม่ความหลงไม่ไม่ใช่สิทธิของเขามันเป็นความเถื่อนเป็นเป็น ของที่จอดมางั้นเรามีบ้านมีกติอยู่สิ่งที่มันจอดมาทีหลังนั้นเราสามารถที่จะมีสิทธิที่จะไม่อยู่ได้เช่นที่ฝุ่นหรืองูหรือหมาอะไรําลองเนี่ยเราก็ไล่ไปลองไปเราเป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ ตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นสิทธิอันอยู่โดยชอบที่สุดเลยตั้งตนอยู่โดยชอบมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวเนียอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศก็คือกายคือใจเราเด็เหมาะใจการศึกษาอยู่ในประเทศเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับจิตศึกษาที่กายที่จิตของเราเนี่ย อย่าไปศึกษานอกจากนี้ศึกษาขางนอกจันี้มันเป็นนอกศาสนาะหว่าทํามุนถ้าจะเป็นธํามุนก็ทํามุนนอกศาสนาะไปทา บ, บันเ่นสารพานิษฐ์สาราวัตถุสารสังบุคคลอันนั่นก็ดี <c oughs> แต่สารธรรมเนะี่ย สำคัญที่สุดเลยคือกายกับใจเราทำบุญก็ทําตรงนี้ทําดีตรงนี้ละชั่วตรงนี้เอากายเอาใจมาละความชั่วเอากายเอาใจมาทําความดีเรียกว่าทําบุญในศาสนาอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทําให้คนอื่นเป็นทุกข์กายใจของเราเนี่ยเอามาสร้างให้เป็นประโยชน์ เราไม่กายก็วางเป็นประโยชน์ได้ปัญญารอบรูปความหลงก็เป็นปัญญาความทุกข์ก็เป็นปัญญาความโกรธก็เป็นปัญญาความไม่เที่ยงก็เป็นปัญญาความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นปัญญาแต่ก่อนี้เรายังไม่รู้ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความทุกข์ก็เป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์กิดเกิดการแจร่การเจร็บ ก, การตายก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ก่อใจของเรามีแต่ทุกข์แบบนี้มันเป็นปัญญาเรามีทุกข์เป็นเมืองหน้าเราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเพราะสิ่เหล่านี้มันมันหลงนะ ถ้าเราไม่หลงเนี่ยไม่เป็นแหละงั้นเราลูดน้ำลูไฟลูพิษภัยต่างๆเราจึงรอดมาได้เห็นตาเราก็ดูพวกรูน้ำดู ล, งลุงมูบ่อดูหลักดูโตเราก็ไปไหนมาไหนเราเห็นเราก็ ปลอดภัยให้เขาลกเขาผงการปฏิบัติธรรมว่ามอนกันมันมีทางเราพบทางจจิงๆง่ายตั น, น, นง่จนกรกลบทางออก การเกิดก็พบฐานที่ไม่เกิดการแฉ ก, ก็พบฐานที่ไม่แฉ่การเจ็บก็พบฐานที่ไม่เจ็บการตายก็พบฐานที่ไม่ตายถ้าเราไปรู้จนกาะดตัวมันเริ่มต้นตั้งแต่เราทำทีแรกแล้วกายอย่างปั จ, จนาเห็นกายเห็นแล้วเห็นอีก พอเห็นไปเห็นเมื่อตอบกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาเห็นกายไม่เป็นกายเห็นกายไปเห็นกายมาไม่เป็นรูปเป็นรูปปรธรรมด้วยมันทับดีมันทั่วอยู่ที่กายมันทับดีทำทั่วอยู่ที่ใจแต่ก่อนอาจจะเคยทําชั่วทางกายอาจจะเคยทําทั่วทางใจอาจจะเคยทําทั่วทางวาจา แต่ก่อนเนะ่ยสันทัศนสำเร็จจะดูจะด่าจะข้าจะจจะผิดศีนผิดธรรมเขาการใจเนี่ยเป็นที่ผิดบัตรนี้มันก็อยู่กับเราบัตเนี้มีอำนาจที่จะไม่มันผิดได้เห็นเพราะมันเห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ มเห็นก็เป็นปัญญาเลื่อยไปแล้วก็ได้ได้ความชอบได้ความชอบขึ้นมาอยู่โดยชอบขึ้นมาการอยู่โดยชอบเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอหรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เจใจเมพิกเบ คุสมาวิห้ล ย, ยุงสวนโจโลโกอาหารแต่เฮจักพิจารณหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วโลกดีจะไม่ว่างอยากปะระหัสรลงหันก็คือผู้ไกลจะค้าศึกไม่มีค่าศึกในชีวิตเลยเพราะอยู่โดยชอบเป็นปัญญาลอบลู่ในของสังขารเนี่ย เป็นสมบัติของเราการศึกษาอย่างนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรมันมีทุนอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่ที่บ้านมันหลงเมงไหนเอาวันเลยรู้ทันทีรู้ทันทีอยู่บนเทนอนเวลานอนมันหลงมากคิดมากรู้ทันทีมันรู้มันหลงอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตงด้านทันที มันอยู่ด้วยกันตัวหลงตัวตวลูกมันอยู่ด้วยกันตัวลูกเป็นตัวเฉลยจบหลงใยนะอยู่บนรถแมอยู่ที่ทํางานอยู่อะไรที่ไหนก็ได้มันอยู่กับเราจริงจรงมันสะดวกการทําความดีกันทําความรู้มันสะดวกไม่เหมือนกันทําความชั่วการทำความชั่ว ต้องหาอกาสต้องรับต้องดีหลับหูหรับตาผู้คนอันนั้นไม่สะดวกาวการพรอมดีสิสะดวกอยู่คนเดียวก็สะดวกอยู่กับหมูก็สะดวกอ่ามันเป็นมนุษย์สมบัติจริงชีวิตเราเนะีเวลาเราจะทำดีเวลาเราจะละความชั่วเน่มันน่าภาพภูมิใจ ทำดีกับตัวเองหนำดีกับคนอื่นสิ่งอื่นว่าตัวอื่นมันหน้าผ้าูกงใจไม่เหมือนทำข้าวชั่วทำแล้วถ้าทำข้าชั่วทำแล้วเศร้าหมองใจเปื้อนเบื่อถ้าทำหวามดีทำแล้ ว, ม, ว, ลวมีความบริสุทธิ์ผุดผองจิตใจของเราเอาตั้งแต่นี้จะไป ละามั่นใจชีวิตของเราถ้าจะบอกกับแม่กับพ่อเราก็ได้เอาลูกชายของแม่ของพ่อคนนี้นะจะไม่เป็นเงาชั่วเด็ดขาดเลยลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้จะไม่เป็นเงาชั่วเด็ดขาดบอกให้ท่านดีินเลย เด็ดขาดจริงๆอัคนความชั่วควาทุกข์เลไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีใครบ้างที่พูดกับพ่อกับแม่หรือไม่พูดก็มีความรู้สึกว่าโอ้คุ้มค่าแล้วคุ้มค่าน้ามนมของแม่แล้วที่เกิดมาแม่ให้เกิดมาพ่อให้เกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงเพื่อการนี้โดยตรงจรึงว่าคุ้มค่า ไม่เสียชาติก็ว่าชีวิตของเรามันเป็นของเราจริงๆไม่เป็นอื่นเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นสุขไหมไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ไห ม, ไมเป็นทุกข์มันอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรความรู้สึกตัวาหายเกิดกายโลตาเบากายจิตตาโลตาเบาจิต ไม่หนักไม่เป็นภาระหะเวปัญจักขันธ์ไม่ยึดไม่ถือมาเท่าไรปล่อยวางการวางเนี่ยมันสะดวกการถือไว้มันหนักไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตเราต้องถึงจุดนี้ถ้าไม่ถึงจุดนี้ภาระภาระ ก็มีภัยนะเพราะเราเดี่ยมีอะไรอ่ะมีอะไรหลายอย่างมีพ่อแบี้บี้ยโลกเบ้หลานมีเพื่อนมีบ้านมีทรัพย์สินสะดึงคันมีหมูมีมีศาสนามีเศษมีธรรมมีบุญมีบาตรมีระโลกมีสวรรค์มีในภารมันมีไม่เราก็มีคนอื่นก็มี บางทีเราไปโทษป้องกันคนอื่นอยู่นี่ไม่สะดวกเป็นทุกข์หลวงพ่อคนลังเกียบเมืองสองตาวันในพูดกบตำรวจผมย้ายมาอยู่บ้านเนี่ยคนลังเกียบเราก็ทุกข์ไม่สบายใจ อ, อ้อคนลังเกียบจะไปทุกข์ทำไม ถ้าเขาหลังเจยดเราเราทุกเนี่เสียเปียบเขาไม่ต้องทุกเพราะอะไรอะไรเลยอยู่อิสระคนที่ไหนเขารักมีควาสุขก็ไม่ต้องไปสุขกับคนไม่ต้องไปทุกข์กับคนเราก็อยู่ของเราเราก็อยู่ของเราอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรนฮะชีวิตได้ชีวิตได้ชีวิต มีชีวิตถ้าหลงทดหนึ่งก็ไม่มีชีวิตแล้วโกรธทีเดินก็ไม่มีชีวิตแล้วทุกข์ทีเดินก็ไม่มีชีวิตแล้วชีวิตเราสูญเสียไปแล้วะจึงไม่เกิดไม่เจ็ไม่เกยบไม่ตายเพราะเหตุนี้การปฏิบัติทำใช่ไหมล่ะสร้างสติเท่านี้แหละแต่มันยิ่งใหญ่มากนะ ที่พระพุทธเจ้ตัดตราชาติเช่นแล้วผมม้อจันอยู่จบแล้วเกิดอื่นที่ต้องทําไม่มีแล้วนะมันจบจริงๆชีวิตมันเรียนจบอันเรียนอันดื่น ม, มันไม่จบต้องเรียนเลยไปนะปีนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งปีกายก็เป็นอย่างหนึ่งอากาศก็เป็นอย่างหนึ่งฤดูก็เป็นอย่างหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง หลายอย่างที่เราจะต้องเข้าไปพบไปเห็นไปผ่านเราลอดได้ในโอกาสบางทีเราไม่ศึกษาไม่ลอดใจนะอะไรก็ถูกขวัญอะไรก็ถูกขวัญ เฉพาะเรื่องของกายเลยร้อนกูไปแล้วโอ้ยตายตายคูล้นหนาวหิวกูคูแล้วกูหิวกูหิวปวดเบื่อคนเราหิวเราปวดเราเมื่อยแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วถูกไปหมดเลยเพราะมันมีสติอองกายก็สภาวากายไม่ใช่เราไม่ใช่จัดบุคคลเลยขอบคุณมันนะมันรอดเนี่ยมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยโอ้ยของจริงะเห็น อตอบได้เออยิ่มแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวครับพูดก็ว่าไม่ไหวไม่มีถ้าเห็นกายจริงๆเห็นเวทนาครับพูดว่าไม่ไหวก็มันมีเป็นการเห็นเป็นการรู้แจ้งเวทนาก็ทําให้เราลับเต็มเต็ม สุกก็สุกตเต็ต็มทุกข์ก็ทุกข์เต่มเต็มบุตรไปกับเบตาเบตาเป็นเนพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีพบาะชาตินับไปทวนเรียกว่าอาการเกิดดับของรูปของนามถ้าศึกษาไปศึกษาไปอาการเกิดดับของนามมาลูปปันเนี่ยตรงกันเลยอันเดิมมันเกิดดับของรูปนาม พุทธที่สุดมันเกิดดับของนามะลูกจบไปแล้วบัดนี้นามลูกไม่เกิดเกิดดับรูปนามเนี่ยมันเป็นโลกหนึง่งเกิดดับความนามะโลกมันเป็นพ้นโลกอันหนึง่งให้มันพ้นโลกนี่เกิดมันเกิดดับเกิดดับเพราะ อะไรทำให้เกิดเวทนาบ้างจิตบ้างทํามบ้างกายบ้างที่มันเกิดดับเกิดดับหลาพบไหลาชาติบไหลไปเห็นไหมเวลาเราดูะมันไหลไปไหนไปไกลไหมเป็นภพใหญ่ไหมถ้าเป็นทุกข์ขมใหญ่ไหมทุกข์อะไรกินเลย ถ้ามันทุกข์อยู่ใจก็ทุกข์เราขมใจแต่นีดนี่หนาหน่อยไม่เป็นไรฮะชีวิตของเราต้องกอบกู้วิธีที่จะกอบกู้ชีวิตเป็นชีวิตเราย่างที่เขาคืนได้นะปฏิบัติธรรมนั่นแหละเอาเธอพวกเราไม่ใช่อยู่สกโตตกไปใช่อยู่ที่ไหนการ อยู่ในประเทศต่างๆ ส, สมหวนเขาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับกายอยู่กับจิตเอากายเอาจิตได้แหละมาทําความดีคบสัตตบุรุษสัตตบุรุษก็คือความรู้สึกตัวเียเป็นสัตตบุรุษมีความรู้สึกความเลิกได้สัตตบุรุษไม่ใช่ไปหาคบครูบาอาจารย์หาคบพระพุทธเจ้าไม่มันไกลเรา ชาติประหลคือรู้จึกรู้จึกตัวนะฟังทำคำสอนของท่านทำตามทีทท่อะไรที่มันเที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงรู้ซะอะไรที่มันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์รู้บ้างซะเอาอย่าเอาความไปเที่ยงอยา่าเอาความไปเที่ยงมาเป็นเรื่องของเราเอาความไม่เที่ยงมอบให้ความไม่เที่ยงมันไปเอาความไม่ทุกข์มอบไปความเป็นทุกข์มัน ไ, ไป นี่ไล้ว่าปฏิบัติตามคำสอนของท่านปฏิบัติธามสติปัญญาตัวมันรอบรู้ได้แล้วนสัตบุรุษฟังคำสังสอนของท่านตั้งตนอยู่โดยชอบทิศเบอะปฏิบัติธรรม อาจจะไม่ได้นั่งยกเบื้องสัง่งไงวะอยู่ที่นี่มันติดเราอยู่มันลูกเราอยู่เวลาเรามี เ, เราก็ใช้เลยใช้ได้เล ย, เลยมีให้เราใช้อาเดียซับใ ช, ใช้ไม่หมดเลยใช้ไม่หมดเลยอาเดียซับซัพไพ่ดองใช้ประเดี๋ยวประดาหมดแล้วอาเดียพย์ไม่ใช้ยังหมด ใช่ไปเลยเอ้อรูจ้จึกรู้จึดรู้จเจ้าไปเลยนะอา่าแต่ความเห็นให้ถูกต้องที่เสมอความไม่เที่ยงเห็นมันเป็นความไม่เที่ยงอยากไปแย่งเอาไม่น่าจะเป็นนั่นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาจะให้เป็นการบ้านชีวิตต้องผ่านต้องผ่าน ยามมการบ้าเ พ, เพิดเพิดแดงกาบคุณถ้าอยูอ่ทยานอยากได้สุขยิ่ขึ้นไปเป็นการบ้านทนความอดอยากไม่ได้เห็นแฉปากแฉท้องเป็นการบ้านเอนายต่อคาสังสอนขี้เกียจทับตามเป็นการบ้าเป็นการบ้าน รักผู้หญิงรักผู้ชายที่เป็นความฝันเป็นความคิดอันนี้ก็เป็นการบ้าเพาะว่ารักเนี่ยเป็นเป็นความคิดไม่ใช่รักเพื่อรับผิดชอบการรับผิดชอบนี่คือพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเป็นยอดรักรักแล้วรับผิดชอบไปทําอะไรให้เสียหาย แต่ลักด้วยความคิดนีน่เป็นการ้าดเป็นการ้าดแต่ไม่เจริญเมื่อเป็นการ้าดอย่างนี้ไม่เจริญเลยผู้ที่หวังความเจริญแก่ตนอยาให้การบ า, าดสิเดคยดฆ่าขาจิตใจเราเหมือนเรามีการ้าดต้องทำอยู่เรื่อยๆต้องทำอยู่เรื่อยๆ การบ้านในหัวใจของเราเนี่ยมันรูปพลังจะเลยไปให้มันจบไปเป็นจบไปรูปไปรูปไปมันหิวก็ไม่ใช่ทนต่อกวามอยาก ไ, ได้ไม่ทนหละมันหิวนี่ยความหิวเราเป็นความหิวไม่ต้องเพลิดเพลินนการมงคลตาหูจะบูกเดินกายใจรูปรสจิตเสียง ปนการบ้านเป็นคิดตนั่งอยู่นี่ก็จนแล้วนั่งอย่นี่ก็รวยแล้วขอบจนทวงรวยเป็นขอบคิดหลงหัวไปสอนดับที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีคนคนหนึ่งขเขาเอาอะไรไม่รู้นะเขาบังโกดูจะเบอรเขาก็จบเอาออกจากกาาระเป๋าเขา่าโกดพับป่วขาดทุนแล้ว เอมนี่มีกำไรขึ้นมาบ้างเขาทำงานเพื่อการเงินถามเขาแล้วก็เลยคนทำอะไรเขาว่าผมดูธุรกิจของผมเวลานี่ผมขาดทุนแมและเวลานี่ผมพอมีกำไรขึ้นมาบ้างแต่ถ้าคนยังเหวื่งเนี่ยคุเน่ไม่เจริญนกชว่ตของคนอะตกเป็นอาลบก็ได้ ขาดทุนได้กำไรขาดทุนได้กำไรใช่หรอหลวลงพอ่อมีคนทำงานแบบผมเนี่เป็นโรคประสาทมาหลายคนแล้วแต่ว่าเงินเดือนมันดีน ะ, ะเป็นโรคประสาทมาหลายคนแลเพราะด้านความจนความรวยนีย่ไม่ใช่ความพิดความจนเนี่ยพ่อนอะไรประกอบอบายบุคความรวยนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าอ่ะ อุทางและสังมตามั่นขยะสมจีชีวิตาเลี้ยงชีวติตโดยทางที่ชอบลักษาเจ้าตารักษาจริงที่มันมีชีมันเสียเอาคืนบางอ้ไรการเรียารมิตาไมีเพื่อนดีแม่บ้านพ่อเหลือนเป็นคนไม่ตุศิล น, นี่คือความรวยไม่ใช่เป็นความผิดนะ เป็นการกระทำพระพุทธเจ้าสอนเร่างคนรวยเหมือนกันแต่รวยแบบปฏิบัติธรรมไม่ใช่รวยแบบผวมผิดเราลักกันเนี่ยก็ไม่ใช่ลักแบบความผิดลักลักกันแบบช่วยเหลือไม่ทำแย่เป็นทุกข์ไม่ทํำเป็นทุกข์เด็ดขาดเลยถ้าใครถามยังนําให้ตนเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ไม่ไม่ต้องเรียกว่าเป็นมนุษย์เราจะเป็นผูมิบรรจาเป็นเปรตบ้างเนยยาวมือใหญ่เป็นสุรกายบ้างขี้ขาดขี้กลัวเป็นสัตว์นรกบ้างเหล่าร้อนอยู่เสมอนะเป็นเลดชันบ้างโง่เงารับความชั่วนี่ต่อยเข้าไปเอาความชั่วความโกรธให้นอนอยู่กับเหล่าข้ามวันข้ามเืนนี่ โง่เกาะต่อไปต้องบอกเลยว่าเออมันโกรธเลยมันโงอ่อยูแล้วนะมันหงแนละ้วมันทุกข์เลยเนี่ยมันโง่เลยนะี่ดรนะฉนนภูมิของเธอเนี่ยเราต้องยกตัวเงินมาเป็นนุษย์เป็นพระยิ้มภูมิเราเนี่ยถ้าเรายังมีอยู่เนะี่ยมันอันตรายต้องยกขึ้นมาจะ ยกจะให้เป็นมนุษย์ใจสูงไม่เชียงเราด้านทัพสมัยละเป็นพระประเสริฐที่สุดสุดยอดเป็นพระไม่มีใครเขาว่าพระไาจากขงมัวะละวิเศษเนี่ยเราทำได้เราปฏิบัติได้อาจจะต้องไม่บวช้นผมผมพระเหลืองบ้านหลวงพ่อก็ได้พระในชีวิตจิตใจของเรา ให้เต็มบ้านเต็มเมือนงะวันนี้พราก็บอ่ามีโอกาสประธรรมวัดรวมปากข้างกันมาปากข้างเข้ามานะสบคัญใจเวลา